ท่านผู้มีจิตศรตัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่6เมษายนพุทธศักราช2554เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันจกักรีเป็นวันที่ท่าน มีเวลาว่างเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันที่จะมาตักตวงประโยชน์สุขที่จะได้รับจากพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นประโยชน์สุขที่มีคุณค่ากว่าประโยชน์สุขทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญ สุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์สุขของพระพุทธศาสนาคือการได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆได้มรรผลนิพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วก็เหมือนก้อนขินกับเพชรเนินจินดา สิ่งที่เราหรือสัตว์โลกทั้งหลายสแสวงหากันก็คือลาบยศชลเสริญสุขซึ่งเป็นเหมือนก้อนหินก้อนกรวดส่วนมากผลนิพพานและสุคติคือพบของมนุษย์ของเทพของพรหมนี้เป็นเหมือนเพชรเนินจินดาถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาปรากฏ มาสั่งสอนพวกเราให้เห็นความแตกต่างของประโยชน์สุขทั้งสองชนิดนี้พวกเราก็จะไม่รู้และก็จะหาแต่ก้อนอิด ก, ก้อนปวดก้อนเห็นไปในแต่ละพมในแต่ละชาติไม่เคยได้ของดีๆไม่เคยได้เพชรน้ำาหนึ่งมาไว้เป็นสมบัติเลย แต่พมนี้ชาตินี้เป็นชาติที่ประเสริฐเพราะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะเปรียบเทียบได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรยากเท่ากับการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาและไม่มีอะไรยากเท่ากับการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ และต้องมีทั้งสองส่วนนี้คือต้องมาเกิดเป็นมนุษย์และมาพบกับพระพุทธศาสนาจึงจะสามารถได้รับประโยชน์สุขจากพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่พวกเหล่านี้ถือว่ามีโชคมหาศาลถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถ้าเราไม่เอาลอตเตอรี่ใบนี้ ไปขึ้นเงินก็ไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไรไม่รู้จะว่าโง่หรือฉลาดดีฉันใดพวกเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเหมือนกับได้ถูกลัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วถ้าเราไม่เอาลอตเตอรี่ใบนี้ไปขึ้นเงินก็ไม่รู้จะว่าฉลาดหรืองโง่กันแน่ก็ขอให้ท่านลองพิจารณาดูก็แล้วกัน ผู้ที่เขานําเอาไปขึ้นเงินขึ้นรางวัลเขาก็ได้มรรคผลนิพพานกันเช่นพระ อ, อริยสงฆ์สาวกตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพออาระอรหันต์ท่านเหล่านี้ถู ก, กลอตเตอรี่และได้ไปขึ้นเงินขึ้นรางวัลกันไปรับมรรคผลนิพพานกันจากพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติ อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาบางเพ็ญกันในวันนี้เรียกว่าท่านกำลังไปขึ้นรางวัลเอาลอตเตอรี่ที่ท่านถูกนี้ไปขึ้นรางวัลคือสุคติและมรรคผลผนิพพานสุคติก็คือพบของของมนุษย์ของเทพของพรงมของพระอริยเจ้าทั้งหลาย ถ้าพวกเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีโอกาสที่จะได้มีสมบัติอันล้ำเลิศมาครอบครองเป็นสมบัติของเราเราก็จะหาแต่สมบัติที่ไม่มีคุณค่าอะไรกับจิตใจของเราเพราะสมบัติต่างๆในโลกนี้ ไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีระดับล้านล้านล้า น, ล, านล้านก็ตามนะหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นมหาจักรพรรดิเป็นกษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีความสามารถที่จะอยู่เหนือความทุกข์ของใจได้ แต่ผู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระ พ, พุทธเจ้าแล้วท่านเหล่านั้นแลเป็นผู้ที่อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆภายในใจได้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ก็ดีเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีเกิดจากความตายก็ดี เกิดจากการพัดรากจากสิ่งที่รักที่ชอบก็ดีสิ่งเหล่านี้จะไม่มีปัญหากับใจของผู้ที่ได้ขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาคือผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจอีกต่อไป ไม่ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดส่วนพวกที่ยังแสวงหาราบยศ ส, สรเสิญสุขพวกนี้ก็ยังจะต้องตกอยู่ภายใต้ความทุกข์ต่างๆแล้วก็จะต้องไปเกิดใหม่ไปรับผลบุญผลกรรมต่อไปจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด แต่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทุกข์กับการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบอีกต่อไปนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอราหาันตส า, าวกทั้งหลายเป็นอย่างนี้ ไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจไม่มีความว้าวุ่นขุ่นมวลไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทไม่มีความท้อแท้หมดกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความหลง ที่ไปแสวงหาสิ่งต่ตางๆที่เป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานั่นเองเช่นการไปแสวงหาราบยศเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตนโดยไม่รู้สึกตัวโดยคิดว่าเป็นการสร้างความสุข คิดว่ามีเงินมากๆแล้วจะมีความสุขมากๆมีตำแหน่งสูงสูงเป็นใหญ่เป็นโตแล้วจะมีความสุขมากๆมีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอจะมีความสุขมากๆได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่ถูกอกถูกใจแล้วจะมีความสุขมากๆแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นความสุข ชั่วประเดียวประดาเป็นความสุขของเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเช่นปลาที่เห็นเหยื่อติดอยู่ปลายเบ็ดก็คิดว่าเป็นอาหารอันโอชะก็ไปเขเมือไปกินเบ็ดไปกินเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนั้นแล้วก็ต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวคอทุกทรมารและถูกเขา เอาไปค่าตายเ mm hmm. ช่นเดียวกับความสุขทางลาบยศสารเสริญทางตาหูจมูกลินกาย mm hmm. ก็เป็นอย่างนี้ mm hmm. เป็นความสุขเพียงเดียวเดียวในขณะที่ได้มา mm hmm. เวลาได้งนมา mm hmm. ก็ดี อ, อกดีใจแล้วต่อจากนั้นก็ต้องมาคอยดูแลรักษา ต้องหวงต้องห่วงแล้วก็ต้องเสียใจเวลาที่หมดไปหรือหายไปเวลาที่ไม่มีเงินใช้ก็จะทุกข์ทรมานใจแต่คนที่ไม่ต้องอาศัยเงินมาซื้อความสุขก็จะไม่เดือดร้อนมีเงินหรือไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่ได้อาศัยเงินมาให้ความสุขอาศัยการทำใจให้สงบปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมฟังเทศฟังธรรมก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้เป็นความสุขที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินต้องใช้เงินเป็นความสุขที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็น ใหญ่เป็นโตเป็นกษัตริย์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นความสุขที่ไม่ต้องมีใครมายกย่อนสังรเสริญเยินยอเป็นความสุขที่ไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นนสดผดดับพระมาเสกนี่เป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัถิสันติปรังสุขขัน ไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจจิตใจจะสงบได้ก็ต้องกำจัดสิ่งที่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาสิ่งที่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านนี้ก็คือกิเลสตัณหานี่เอง ปิเลตก็คือความโลภความโกรธความหลงตัณหาก็คือความอยากในรูปเสียงกิ่นรสความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากร่ำรวยอยากมีความสุขมากๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นตัณหาเป็นตัณหาความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คือ ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ทุกข์อยากไม่ยากจนเป็นต้นถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจแล้วก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะจะต้องพยายามหนีหรือพยายามแสวงหาสิ่งที่จะทำให้มีให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจดับไป เช่นอยากจะไปเที่ยวข้างนอกนี้ถ้าเกิดความอยากไปเที่ยวแล้วอยู่ในบ้านไม่ได้แล้วบ้านนี้เป็นเหมือนนรกขึ้นมาแล้วต้องออกไปเที่ยวข้างนอกถึงจะเป็นสวรรค์ขึ้นมานี่เป็นจะเป็นเพราะอะไรบ้านมันก็เป็นบ้านเหมือนเดิมอยู่เวลาที่ไม่อยากไปข้างนอกไม่เห็นมันเป็นนรกเลยมันน่าอยู่จะตายไป เช่นเวลาออกไปเที่ยวจนเหนื่อยหมดแรงแล้วทีนี้ก็อยากจะกลับบ้านแลสิทีนี้บ้านก็กลายเป็นสวรรค์ไปแล้ว <c oughs> เพราะความอยากกลับบ้านแต่เวลาอยากออกนอกบ้านนี่บ้านก็เลยกลายเป็นนรกขึ้นมาความจริงนรกมันไม่ได้อยู่ที่บ้านมันอยู่ที่ใจที่เกิดจากความอยากออกไปเที่ยวข้างนอกนั่นเองแล้วต่อให้ได้เที่ยวมากน้อยเพียงไรก็ตาม ก็จะไม่มีความหมดอยากไปเที่ยวมากี่วันแล้วเที่ยวมากี่เดือนแล้วเที่ยวมากี่ปีแล้วตอนนี้ยังอยากจะเที่ยวอยู่หรือไม่หรือพอแล้วต่อไปนี้ไม่อยากไปเที่ยวไหนแล้วอยากจะอยู่บ้านเฉยๆมีใครเป็นอย่างนี้บ้างนั่นก็เป็นเพราะว่าความอยากมันไม่มีขอบไม่มีเขตพระพุทธเจ้าทรงจัดว่ามาหาสมุทรนั้น ถึงแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามยังมีขอบยังมีฝั่งแต่ความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่งต่อให้อยากแล้วได้อะไรมาตามความอยากมากน้อยเพียงไรก็ตามความอยากก็จะไม่มีวันหมดไปและเมื่อยังมีความอยากอยู่ความทุกข์ภายในใจก็จะไม่มีวันหมดไป ดังนั้นวิธีแก้ความทุกข์ในใจนี้ต้องไม่แก้ด้วยการทำตามความอยากเพราะจะเป็นการสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอยู่เรื่อยๆนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร้แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายให้ปฏิบัติตาม เพราะถ้าปฏิบัติตามได้แล้วจะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจเลยดังนั้นทุกครั้งที่เรามีความอยากเราต้องพยายามฝืนความอยากยกเว้นความอยากที่เป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นการอยากรับประทานอาหารอยากมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่อยากมีบ้านอยู่อยากมียารักษาโรค ถ้ามีพอประมาณถ้าอยากพอประมาณพอต่อความต้องการอย่างนี้เราไม่เรียกว่าเป็นความอยากแต่เรียกว่าเป็นความจําเป็นถ้าเราไม่มีเราก็จะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ร่างกายก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายตไปในที่สุดความอยากในสิ่งเหล่านี้ไม่เป็น ไม่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ถ้าเรามีขอบมีเขตรู้จักประมาณเช่นอยากจะรับประทานอาหารก็รับประทานพออิ่มก็พออย่ารับประทานตามความอยากบางทีอิ่มแล้วยังไม่ยอมหยุดรับประทานรับประทานต่อไปหรือรับประทานเสร็จไปอิ่มไปใหม่ๆพอเห็นขนมเห็นอะไรขึ้นมา ก็อยากจะรับประทานขึ้นมาอีกอย่างนี้ถึงจะเป็นความทุกข์ถ้าเรารับประทานตามตามความต้องการของร่างกายรับรองได้ว่าจะไม่เป็นความทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าและพระอาหลานตถาวกทั้งหลายท่านก็ยังต้องมีปัจจัยสี่ไว้อยู่เพื่อดูแลรักษาอัตภาพร่างกาย ให้อยู่อย่างปกติสุดอย่างนี้ไม่เป็นความทุกข์ต้องให้เรารู้จักแยกแยะไม่ใช่ว่าความอยากทุกชนิดนี้เป็นความทุกข์ความอยากอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เป็นความทุกข์ก็คือความอยากทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าฉนันอยากจะทําบุญอย่างนี้มาเราไม่เรียกว่าเป็นความทุกข์ไม่เป็น ตัณหาไม่เป็นกิเลสเรียกว่าเป็นมัจเป็นบุญเป็นกุศลอยากจะทำบุญอยากจะรักษาศีลอยากจะอยู่วัดบวดชชีบวชพระอยากจะนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่าอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการเป็นตัณหาเป็นเหตุที่จะสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมา อย่างนี้เรียกว่าเป็นมรรคเป็นบุญเป็นกุศลดังนั้นอย่าอย่าเอาธรรมะที่พูดว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์มาอ้างว่าอยากทําบุญไม่ได้อยากปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นกิเลสเป็นตัณหาไปหมดอย่างนี้ไม่ใช่ความอยากที่พูดถึงนี้ที่เป็นกิเลสตัณหาก็คือความอยากในการหาความสุข ทางรูปเสียงกลิ่นรสผดภ พ, พะทางตาหูจมูกรินกายเช่นอยากจะดูหนังฟังเพลงอยากจะดื่มสุราอยากจะดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆที่มีรสมีกลิ่นมีสีเช่นน้ำชากาแฟหรือน้ำอัดลมชนิดต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นกิเลสเป็นตัณหาเพราะว่ามันไม่จําเป็นต่อ ความต้องการของร่างกายร่างกายต้องการน้ำเปล่ า, ลาต้องการน้ําสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องมีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่ต้องไปอ้างว่าหิวน้ําแล้วก็เลยต้องไปซื้อเบียร์มาดื่มอย่างนี้หรือซื้อโคกมาดื่มอย่างนี้มันเป็นความหิวของกิเลส ท, ที่อยากจะลิ้มรสกับ ความหวานของน้ำตาลและรสอย่างอื่นที่ผสมมากับน้ำถ้าอยากจะกินเพื่อตัดกิเลสดื่มเพื่อตัดกิเลสก็ต้องดื่มน้ำเปล่าๆรับรองได้ว่าต่อไปจะไม่มีความอยากดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆเวลาไม่มีเครื่องดื่มชนิดต่างๆดื่มก็จะไม่เดือดร้อน แต่คนที่ชอบดื manager, to to ่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆพอถึงเวลาไม่ได้ดื่มก็จะเกิดอาการทุรนทุรายขึ้นมาเวลาอยากจะดื่มสุราไม่ได้ดื่มก็ทุรนทุรายเวลาอยากจะดื่มเครื่องดื่มน้ําอัดรมณ์ไม่ได้ดื่มขึ้นมาก็ทุรนทุรายเวลาอยากจะดื่มน้ําชากาแฟ เวลาไม่ได้ดื่มขึ้นมาก็เกิดความทุรนทุรายความทุรนทุรายนี่แหละคือความทุกข์หรือเวลาอยากจะไปดูหนังฟังเพลงออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพอไม่ได้ออกไปก็ทุรนทุรายทุกขทรมานใจเพราะว่าไม่รู้จักว่ามันเป็นโทษมันไม่ได้เป็นคุณมันไม่ได้เป็นประโยชน์กลับไปส่งเสริมมันกลับไปเลี้ยง ม, มัน ให้มันจเจริญงอกงามเจริญเติบโตจนเราไม่มีความสามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้มันเลยกลายเป็นเจ้านายของเราคอยสั่งคอยใช้ให้เราไปหาสิ่งนั้นมาหาสิ่งนี้มาให้เราไปที่นั่นไปที่นี่แล้วก็ถ้าไม่ได้ถ้าไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีที่สุดเจริ มันก็สั่งให้เราไปหามาด้วยวิธีทุจริตไปโกหกหลอกลวงไปลักขโมยไปประพฤติผิดประเวณีแล้วก็ดีไม่ดีก็ไปฆ่าผู้อื่นด้วยแล้วผลเสียผลร้ายก็ตามมาต่อไปต้องไปติดคุกติดตารางตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนต้องไปเกิด เป็นเปรตเป็นเดราาัจฉานไปตกนรกจนกว่าจะหมดกรรมถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมประกอบหรือเป็นมนุษย์ที่อาภัพมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามมีฐานะการเงินการทองที่ลำบากยากจน มีสติปัญญาที่ชื่อเป็นคนงโง่นี่เป็นอนิสงส์จากการที่เราปล่อยให้กิเลสตัณหาเป็นเจ้านายครอบครองหัวใจของเรามันก็จะสั่งให้เราไปหาสิ่งต่างๆที่มันต้องการแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีใดก็ตามวิธีสุดจริตถูกกฎหมายก็ได้ ถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาแบบทุจริตผิดกฎหมายแล้วก็ต้องไปตกนรกไปติดคุกติดตารางกลับมาก็จะเป็นมนุษย์ที่อาภัพแล้วก็มีกิเลสตัณหาคอยสั่งการให้ไปทําบาปทํากรรมใหม่อีกชีวิตก็จะวนเวียนอยู่กับการไปเกิดในอบายแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนา ในทางตกกันข้ามถ้าเราเชื่อในคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติตามคือเราพยายามต่อสู้กับความอยากต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆอยู่แบบมากน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดไม่โลภมากไม่มกักมากเอาเท่าที่จำเป็นกินข้าวก็กินแค่อิ่มก็พอเสื้อผ้าก็พอมีใส่ ไม่ต้องหรูหราไม่ต้องสวยสดงดงามมีราคาแพงๆพอมีไว้สำหรับปกปิดอวัยวะร่างกายป้องกันอากาศที่หนาวเย็นเพื่อไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็พอแล้วบ้านก็อยู่ไปตามอัตภาพตามฐานะไม่มีปัญญาซื้อบ้านก็เช่าอยู่ไปก่อนก็ได้มีปัญญาก็สร้างไปตามกำลัง ไม่ต้องหรูหราไม่ต้องใหญ่โตเหมือนคนอื่นเขาเรามีบ้านไว้เพียงหลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆมีมีแบบนี้ก็พอแล้วอย่าไปดิ้นลนเพราะจะต้องทำให้ไปทำบาปทำกรรมทำผิดกฎหมายต้องไปโกหกหลอกลวงต้องไปช่อโกเพื่อที่จะให้ได้นอนมาซื้อสิ่งต่างๆ ที่กิเลสทัณหาต้องการแต่ถ้าเรามีความมักน้อยเอาเท่าที่จําเป็นสันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็พอใจกับสิ่งที่มีต้องอยู่ใต้สะพานก็ยินดีพอใจถ้าตอนนี้ยังไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินเช่าบ้านอยู่ต้องไปอาศัยใต้สะพานอยู่ก็อยู่ไปก่อน แต่จะไม่ไปทำบาปทำกรรมเพื่อที่จะหาเงินหาทองมาเช่าบ้านหรือมาซื้อบ้านอยูอ่เพราะว่ามันได้ไม่คุ้มเสียนั่นเองได้บ้านอยู่แต่จะต้องไปใช้กรรมในนรกต่อไปจะต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานอย่างนี้ไม่คุ้มค่าสู้ยอมอดอยากขาดแคลนอย่างมากก็แค่ตายดีกว่า เพราะว่าต่อให้อยู่ในประสาทลาชวังมันก็ต้องตายเหมือนกันไม่มีใครไม่ตายอยู่ใต้สะพานก็ตายแต่ตายอย่างสบายตายอย่างสงบเพราะไม่ได้ทำบาปทำกรรมแต่ถ้าตายในปราสาทลาชวังแต่ไปทำบาปทำกรรมมาเพื่อที่จะได้อยู่ในประสาทลาชวังก็จะตายแบบทุกข์ทรมานใจ นี่คือเรื่องของใจของเราเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนพวกเราพวกเราก็จะหลงไปหาความสุขทางลาบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกลินกายแล้วก็จะไปทำบาป ท, ทำกรรมเสร็จแล้วก็ต้องไปตกนรกไปใช้บาปใช้กรรมกลับมาก็กลับมาเกิดแบบอาภัพวาสนา แล้วก็ต้องมาทำบาปทำกรรมใหม่เพราะไม่มีปัญญาความสามารถที่จะหาสิ่งต่างๆที่อยากได้ด้วยความสุดจริตด้วยสติปัญญาของตนนี่คือเรื่องของการที่ไม่ได้มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาไม่รู้ว่าเป็นโชคลาภอันวิเศษที่ ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายง่ายตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่นี่อาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกต่อไปเพราะกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่ใช่เวลาวันสองวั น, วนปีสองปีแต่อาจจะเป็นหลายร้อยหลายพันปีเลยทีเดียวก็ได้กว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแลเมื่อกลับมาแล้ว ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาไว้คอยสอนเราอีกต่อไปถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาก็จะไม่รู้จักทางไม่รู้จักความจริงของความสุดที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนก็จะต้องถูกอำนาจของความหลงหลอกให้เกิดความโลภเกิดความอยากต่างๆอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ในทุกวันนี้ แต่พวกเราโชคดีตรงที่ว่าเราได้มาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราจะสามารถปฏิบัติตามคาสอนได้หรือไม่อันนั้นก็อยู่ที่สติปัญญาของพวกเราที่จะคิดกันว่าอันไหนจะดีกว่ากันทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจะดีกว่าหรือทําตามคําสอนของกิเลสตัณหาจะดีกว่า ถ้าทำตามคสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ยากเพราะต้องรักษาศีลมีใครบ้างอยากจะรักษาศีลกันแต่ถ้าทำตามกิเหล่แล้วไม่ต้องรักษาศีลอยากจะกินเหล้าก็กินได้อยากจะพูดปทก็พูดได้อยากจะรักทรัพย์ ก, ก็รักได้อยากจะพระพฤติผิดประเวณีก็ทำได้อยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ทำได้ กิเลสมันไม่ได้บอกเรานะว่าผลที่เกิดจากการทําบาปทํากรรมแล้วจะเป็นอย่างไรกิเลมันก็ไม่รู้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้ความจริงเหล่านี้ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องไปใช้บาปใช้กรรมก็อย่าไปขอความช่วยเหลือจากใครเพราะไม่มีใครจะช่วยเราได้ทำ สัตว์ทั้งหลายท่านทรงตัดไว้ว่ามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเมื่อถึงเวลาตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนอย่าไปโทษใครเป็นอันขาดต้องไปโทษที่บาปกรรมของเราที่เราทำมาเท่านั้นขอให้เราเชื่อกฎแห่งกรรมเพราะนี่คือความจริง พระพุทธเจ้าไม่ได้เสกสรรแต่งขึ้นมาเพื่อหลอกให้เราทำความดีแต่ทรงเอามาสอนพวกเราเพื่อให้เรารู้จักหลบหลีกความทุกข์ความเสื่อมเสียความยากลำบากทั้งหลายที่เกิดจากการกระทำบาปทำกรรมที่เราไม่รู้ว่ามีผลตามมานั่นเองดังนั้นถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ผลดี เราก็จะได้พบกับความสุขและความเจริญได้หลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ปฏิบัติตามเราก็จะวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดจึงขอให้พวกเราจงพิจารณาถึงโอกาสืูโชควาสนาอันดีของเรา ที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ให้ท่านได้นำมาไปพิจารณาเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปและความสุขและความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ท่านทั้งหลายปรารถนาก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอน